وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إلي แล้วละอส่งอาภัยโทษให้แก่ชายสามคนที่ไม่ได้ออกไปสงครามจนกระทั่งแผ่นดินได้คับแคบ แ, แก่พวกเขาทั้งๆ ท, ที่มันกว้างใหญ่ไพศาลและตัวของพวกเขาก็รู้สึกอึดอัดไปด้วยและพวกเขาก็คาดคิดกันว่าไม่มีที่พึ่งอื่นใดให้พ้นจากอัลลอ์ไปได้ นอกจากกลับไปหาพระองค์แล้วพระองค์ก็ทรงอภัยโทษแก่พวกเขาเพื่อพวกเขาจะได้กลับตัวสำนึกผิดต่อพระองค์แท้จริงอลัลลอ์นั้นคือผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอโอ้ผู้ศรัทธ า, าทั้งหลายพึงยำเกรง อ, อ, อัลลอ์เถิด และจงอยู่ร่วรมกับบรรดาผู้ที่ م ูด ن ริง ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون م و ط ئ أي غ ي ض ا ل ك ف ا ر ولا ينالون من عدو ن ي ل إن لا كتب لهم به عمل صالح ไม่บังควรแก่ชาวมารีนาะและชาวอาหรับชนบทที่อยู่รอบๆจะพินหลังให้กับรอซูลของพระองค์และไม่บังควรที่เขาเหล่านั้นจะห่วงชีวิตของพวกเขามากกว่าชีวิตของท่านรอซูลทั้งนี้เนื่องจากความกระหายน้ำก็ดีความทุกข์ยากก็ดีและความหิวโหยก็ดีเพื่อหนทางของอัลลอฮ์นั้นจะไม่ประสบแก่พวกเขา และไม่ว่าพวกเขาจะเหยียบย่างไปณที่ใดที่ทําให้พวกปฏิเสธศรัทธาคริ้วโกรธก็ตามและพวกเขาจะไม่ได้รับอันตรายจากศัตรูนอกจากการงานที่ดีจะถูกจารึกไว้แล้วสําหรับพวกเขาเพราะสิ่งนั้นแท้จริงอัลลอฮฺจะไม่ทรงให้หรางวัลของผู้กระทํำความดีต้องสูญสิ้นไปเป็นอันขาด และพวกเขาจะไม่บริจาคทานใดๆไม่ว่าจะน้อยหรือมากก็าตามและพวกเขาจะไม่เดินผ่านหูกเขาใดๆนอกจากจะถูกบันทึกไว้ให้แก่พวกเขา เพื่อว่าลอตจะทรงตอบแทนให้แก่พวกเขาซึ่งสิ่งที่ดียิ่งในสิ่งที่พวกเขาได้ทำไว้า ไม่บางควรที่ผู้ศรัทธาจะออกไปสู้รบกันทั้งหมดทำไมแต่ละกลุ่มในหมู่พวกเขาจึงไม่ออกไปเพื่อไปหาความเข้าใจในาศาสนา และเพื่อจะได้ตักเตือนกลุ่มชนของพวกเขาเมื่อพวกเขาได้กลับมายังกลุ่มชนของพวกเขาโดยหวังว่ากลุ่มชนของพวกเขาจะได้ระมัดระวังยเอเยาะเหลือดีนอาเมนุกาตินุเลือดีนยาลูนักุมมินักุฟฟารวัลยาดูฟีคุมกิลละห์ว่ลโมอันนัลลอฮะมาลุตตะอิน โอผูสถานทั้งหลายจงสู้รบกับบรรดาผู้ที่อยู่ใกล้เคียงกับพวกเจ้าที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเสก่อนและจงให้พวกเขาเหล่านั้นประสบกับความรุนแรงของพวกเจ้าและพึงรู้ทดว่าแท้จริงอโลอนั้นทรงอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ยำเกรงทั้งหลาย และเมื่อมีบทหนึ่งบทใดของอลุกราณถูกประทานลงมาดังนั้นในหมู่พวกเขาจึงมีผู้กล่าวขึ้นว่ามีใครบ้างในพวกเจ้า ที่บทนี้ทำให้ความศรัทธาเพิ่มขึ้นสำหรับบรรดาผู้ศรัทธานั้นบทนี้ได้ทำให้การศรัทธาเพิ่มขึ้นแก่พวกเขาโดยที่พวกเขามีความปรียตยินดีและสำหรับบรรดาผู้ที่มีโรคอยู่ในหัวใจของพวกเขา บทนี้ก็จะยิ่งเพิ่มความสกปรกให้แก่พวกเขามากยิ่งขึ้นไปอีกและพวกเขาจะตายไปในสภาพของผู้ปฏิเสธธรรมและพวกเขาไม่เห็นดอกหรือว่า แห้จริงพวกเขาจะถูกทดสอบในทุกๆปีครั้งหนึ่งหรือสองครั้งแล้วพวกเขาก็ไม่ยอมกลับตัวและพวกเขาก็ไม่ยอมสำนึกผิดด้วยออออิมมุรบย ح ح และเมื่อบทหนึ่งบทใดของอัลกุรอานถูกประทานลงมาบางคนในหมู่พวกเขาต่างก็มองตาซึ่งกันและกันแล้วก็ถามขึ้นว่ามีใครเห็นพวกเจ้าบ้างไหมและพวกเขาก็พากันแยกย้ายออกไปอลัลลอฮจึงทรงให้จิตใจของพวกเขาหันเห อ, ออกจากแนวทางที่ถูกต้อง เพราะแท้จริงพวกเขาเป็นกลุ่มชนที่ไม่มีความเข้าใจอะไรเลยลล um. um. แท้จริงมีรสนท่านหนึ่งจากพวกเจ้าเองได้มาหาพวกเจ้าแล้ว เป็นที่ลำบากใจแก่เขาในสิ่งที่พวกเจ้าได้รับความทุกข์ยากเป็นผู้ห่วงใยในพวกเจ้าเป็นผู้กรุณาผู้เมตตาเสมอต่อบรรดาผู้ศรัทธาหากพวกเขาพินหลังให้ก็จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าล้อนั้นเป็นที่เพียงพอแก่ฉันแล้วและไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์เท่านั้นแด่พระองค์เท่านั้นที่ฉันมอบหมายและพระองค์คือเจ้าของบรลลังอันยิ่งใหญ่